นาเคเษนอุปสมบทเมื่ออยู่นานมาจนกระทั่งนาเคเษนสามเณรมีอายุครบอุปสมบทแล้วพระอรหันต์ร้อยโกฎก็ให้อุปสมบทเป็นพระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาในเวลาเช้าพระนาเคเษนครองบาทจีวรจะเข้าไปบิณฑบาตก็นึกขึ้นว่า พระอุปชาของเราเห็นจะเปล่าจากคุณธรรมอื่นๆคงรู้แต่อภิธรรมเท่านี้อย่างอื่นคงไม่รู้ขณะนั้นพระโลหณะเทระจึงออกมากล่าวขึ้นว่านี่นาหน้าเกษณการนึกของเธอไม่สมควรเลยเหตุไรเธอจึงนึกดูถูกเราอย่างนี้ฝ่ายพระนาเกษณก็นึกอัศจรรย์ใจว่า พระอุปชาของเราเป็นบัณดิตแท้เพียงแต่เรานึกในใจก็รู้เราจะต้องขอโทษครั้นคิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าขอจงอดโทษให้กระผมด้วยเถิดขอจงอดโทษให้กระผมด้วยเถิดกระผมจะไม่นึกอย่างนี้อีกจะไม่ทำอย่างนี้อีกนาเคเษนเรายัางอดโทษให้ไม่ได้ต่อเมื่อเธอทำให้พระเจ้ามิลิน ผู้เสวย ร, ราชอยู่ในสารครนครเลื่มใสได้ด้วยการแก้ปัญหานั้นแหละเราจึงจะอดโทษให้ท่านขอรับอย่าว่าแต่พระเจ้ามิลินเพียงองค์เดียวเลยต่อให้พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นเรียงตัวกันมาถามปัญหากระผมก็จะทำให้เลื่อมใสได้สิ้นขอท่านจงได้อดโทษให้กระผมเถิดเมื่ออ้อนวอนอย่างนี้ถึงสามครั้ง ก็ไม่เป็นผลจึงถามว่าในพรรษานี้ท่านจะให้กระผมอยู่ที่สํานักนี้หรือว่าจะให้กระผมไปอยู่ในสํานักผู้ใดขอรับพระโรหณะเทระจึงบอกว่าเธอจงไปหาพระอสสคุตตะเทระถามถึงความสุขของท่านและบอกความทุกข์สุขของเราแทนเราแล้วอยู่ในสํานักของท่านเถิดลําดับนั้น พระนาเคเสนจึงอำลาพระอุปชาออกเดินทางไปหาพระอัสสะคุตเตทลระกราบไหว้แล้วก็ถามถึงทุกสุขตามคำสั่งของพระอุปชาแล้วขออาศัยอยู่พระอัสสะคุตะตะเถระจึงถามว่าเธอชื่ออะไรกระผมชื่อนาเคเสนขอรับพระอัสสคุตใครจะรองปัญญา จึงถามว่าก็ตัวเราล่ะชื่ออะไรพระอุปชาของกระผมรู้จักชื่อของท่านแล้วขอรับอุปชาของเธอชื่ออะไรอุปชาของกระผมท่านรู้อยู่แล้วดีละ่ะดีละ่ะน่าคเษณพระอัสคุธจึงรู้ว่าพระพิษุองค์นี้มีปัญญาจึงคิดว่าพระนาคเษณนี้ ปรารถนาจะเรียนพระไตรปิฎกเราได้สำเร็จมากผลก็จริงแหละแต่ทว่าฝ่ายพระไตรปิฎกรู้เพียงกลางๆ ก, ก็อย่าเลยเราจะกระทากิริยาไม่เจรจาด้วยทำทีเหมือนจะลงพรมทันด้วยพิสุรูปนี้ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงได้ลงพรมทัน คือไม่พูดกับพระนาคเษนถึงสมเดือนแต่พระนาคเษนก็ปรนนิบัติได้ปัดกวาดบริเวณและตักน้ำใช้น้ำฉันไว้ตลอดทั้งสมเดือนส่วนพระอสคุตจึงกวาดบริเวณด้วยตนเองและล้างหน้าด้วยน้ำอื่น